อ, อีกวันหนึ่งอาจะรับคนญาติโยมพธบริษัทให้ฟังแบบลงคานสักหน่อยเพรว่าตามที่สังเกตตอนถามตอนกลางวันเห็นบรรดาญาติโยมบริษัทยังมีความเข้าใจในการเจริญกรรมฐานน้อยไปเพรว่าก่อนที่จะพูดอย่างอื่นก็ขอแนะนําความรู้หมายการเจริญกรรมฐานซิ่ก่อนการเจริญกรรมฐานทั้งหมดจะแบนดับไหมก็ตาม พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้มรนดาทุกคนเข้าถึงพระนิพพานอันนี้การเข้าถึงนม่ผานอาจจะยังไม่แน่นอนนักอันดับแรกของมรนดาท่านพุทธบริษัทยับยั้งการลงอบายภูมิไว้ก่อนมันจะหมายความว่า ถ, ถ้าเราตายจากความเป็นคนเราก็ไม่เกิดเป็นสัณโดกเป็นเปรตเป็นสุกรกายเป็นสติฉัน ยังต่ําแล้วกลับมาเป็นคนชคั่วคราวเรภโลกนี้จะนั่งกับไปเทวโลกพมทธโลกปณิพานต่อไปการปฏิบัติในในการยับยั้งกันในการลงอบายภูมิก็มีหลักสามราการที่เรียกว่าตัดสังโยษ์สามคือหนึ่งตัดเซกายติฐิที่มีความเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา หรือว่าผู้ปาษสาง่ายที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตายก็ออสองวิจิจฉาตัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็สามศิลปะประมรมทตัดการไม่รักษาศีลโดยจรงิงจังนั่งก็หมายความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้อนุสติหบริการคือหนึ่งพุทธานุสติ นึกถึงพระพุทธเจา้าสองธรรมานุปิตินึกถึงพระธรรมสามสังขานุษปิตินึกถึงพระสงฆ์อันนี้เป็นข้อที่สองสัญญโญเป็นนว่าสัยญโญข้อที่สองนี่บรรดา ญ, ญาโยมพระเบริษัททุกคนละได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมในพระอริยสงฆ์มีความเชื่อมเชื่อมั่นมีบรญทาในท่านสําคัญข้อที่หนึ่งที่เรียกวสักกายทิฏฐิ ที่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราจะตายบางครั้งก็ไม่ยอมจะตายลงความไม้ตัดสินใจยอมรับตามความจริงว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมาเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่านกลางในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดก่อนจะตายแล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ตานิพูดแล้วมาคืน เพือว่าแม้แต่มัแตคุณนาลีเทีบุตรท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยวความไม่เคารพเพียง ว, ว่าความคงควาบวิงวัมากๆต้องการท่านมาช่วยรักษาโรคหายหายเพียงเท่านี้ท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเท ว, วดาบนสวรรค์ท่านดาวดึงได้ทั้งท่านวันดาญาโยมพุทธบริษัทที่มีความเคารพพระพเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ในความจริงใจมีศรัทธาแท้เชื่อมันในท่าน ถือว่าเป็นความดีที่ยับยั้งในการลงอบายภูมิได้จดแน่นั่นหมายความว่าการยอมรับนับถืพระพุทธเจ้าพระธรรมพร ะ, พระอะริยสงฆ์เราไม่ต้องลงอบายภูมิแน่แต่ก็จะได้อาจจะได้เพราะชาติเดียวถ้าชาติหน้าถ้ามีการพาดครังสามารถลงอบายภูมิได้หรือเพื่อป้องกันไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติ ก็คือเพิ่มสินนี่ข้อหนึ่งที่เราศีลปฏิปรามาสคือว่าไม่ประมาทในการรักษาศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งศินห้าพระบรรดาญาติโยมพระทุกสัตว์ทุกคนตั้งใจรักษาด้วยความเคารพถ้ารักษาศินห้าด้วยความเคารพตีการยอมรับทับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตายเสักวันหนึ่ง ถ้ามีความรู้สึกครบถ้วนตามนี้ทุกคนชาตินี้ก็ไม่ลงนรกอีกกชา ต, ติต่อไปก็ไม่ลงนรกเพราะว่าเป็นคุณธรรมของมัสยิดาบันเมื่ใอใดตามต้องขอกลงไว้แค่นี้เป็นการแนะนํากันว่าในการเจริญกรรมฐานอย่างน้อยที่สุดให้ทุกคนคิดว่าเราจะไม่ต้องการลงอบายภูมิตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญพระกรรมาฐานนี วั น, นี้นจะพูดถึงนิปัสนายานด้วยในอนันดับแระกก็ขอเก้าก็ขอเริ่มสมถภาวนาไปก่อนในอนัแระกบรรดาท่านพุทธบริษัทการเจริญกรรมฐานมีสมาธิหลายขัน้นคือคณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนนามสมาธิสำหระอัปนนามสมาธิก็แบ่งเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ตอนนี้ก็จะพูดเฉพาะรมประชานจะาเวนอรมประชานสําหรับคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยตามที่บรรดาท่านอย่างหลายเรียนกรรมฐานแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกอันดับแรกท่านสอนกันเหมือนกันหมดให้รู้ลมหายใจเข้าออกก่อนเราให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจเข้าใหยใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหสั้นให้ใจออกอยันก็ยาวก็สั้นเราไสั้นเราสามนี่การรู้เราให้ใจเข้ารู้เราให้ใจออกเ้าเรียกว่านาปานุสติกรมฐานกรรมฐานกองนี้เป็นกามฐานใหญ่มากเป็นแม่แ บ, บ่ายกรมฐานทั้งหมดกรมฐานจริงๆทั้งหมดมีสี่สิบกองตีสามยุก้ากองขึ้นกับนาปานุสติกรรมฐาน เพราะว่าจะทำกรรมฐ า, านกองใดก็ตามถ้าอย่าถึงฌานถ้าทิ้งอนนาป า, านุติกรรมฐานจะเข้าถึงฌานไม่ได้กระงความว่าอนาป า, านุติกรรมฐานคุกนมกรรมฐานทั้งหมดเป็นั้นอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกนึกถ้ามีคำภาวนากให้ภาวนาควบควบกับลมหายใจเข้าออกอย่างภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธ ถ้ารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยได้วเวลาเล็กน้อยสักนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีาบ้างอย่างมากก็สามนาทีจิตก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแท น, นแต่ว่าพอรู้ตัวว่าเราละภาวนาเส็จแล้วหรือละลมหายใจเข้าออกเส็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําใหม่อย่างนี้ไม่ช้านะักจิตก็เคลื่อนอีกอย่างนี้ถ้าเรียกเทคนิคสมาธิ สมาธิเล็กน้อยแต่คุณสมบัติของขณิกสมาธิจะคิดว่าไม่มีผลหลายๆท่านบอกว่ารทำจิตไม่สงบทำจิตไม่มีผลแล้วนั้นไม่จริงเพียงแค่ได้สมาธิเล็กน้อยเพียงเท่านี้สมมุติว่าก่อนจะนอนเราภาวนาว่าพุทโธไว้ใจเข้านึกว่าพุทัใจออกพุทโธด้วยความตั้งใจจริงได้เพียงแค่สองสามครั้งก็หลับนึกว่าตื่นใหม่ ยังไม่ต้องรู้จึงนนึกึเราลมหายใจก็จออกนึกเป็คํภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเจ้าออกอแมทอยเพียงแค่สองสามครั้งก็มีกิจอื่นที่ต้องทําทําต่อไปวันยังได้เท่านี้แต่ว่าทำประจําได้ทุกวันก่อนจะหลับได้หน่อยหนึ่งเตือนใหม่ๆได้หน่อยหนึ่งเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทการตายไปจากความเป็นคนท่านจะลงนรกไม่ได้ อย่างต่างที่อยู่บนท่ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสุธิวโลกอันนี้เป็นคุณสมบัติของคณิจาสมาธิต่อไปถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตเข้าถึงปีติปีติแปลความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นในการจเจริญภาวนาภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ตามมีจิตชุ่มชื่นมากไม่อยากอิ่มไม่อยากเบื่อไม่อยากจะเลิก พอจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายมีความปราบรื่นมากอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเฉียดชานถ้าจิตเข้าถึงปีติชั่วขณะเดียวอาการของปีติจะมีห้าอย่างขมัดา ญ, ญาโยมพวกบริสัทธ์จำไม่ด้วยจำไม่แล้วาอาการอย่างนั้นกากดก็จงอย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงอย่าอย่าไยับย่างอาการปล่อยมันตามเรื่องถ้าปีติเข้าจุดไหน ม, มันจะมีอาการอย่างนั้น ถ้าสมาธิสูงขึ้นไปอาการอย่างนั้นก็จะหายไปอาการวิตกปีปิมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยอเกล้าวมีขนลุกสู่ซ่าสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงโยกไปยโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังสี่ตัวลอยขึ้นอากาศห้าเมรกรทซาบซ่าน อาการทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดกรบรรดาท่านพุทธบริษัทขอจงอย่าสนใจปล่อยมันมันจะเป็นยังไงก็ช่า ง, งนั้นอาการอย่างนี้เกิดจิตจะมีความเอือเอิบอิ่มมากมีความด่าเพิ่มมากรมณทรงตัวมากมันจะเป็นเพียแค่ครู่เดียวแล่าเดี๋ยวเดีย ว, ยวมันก็สลายตัวหายไปตอนที่อาการอย่างนั้นหายไปจิตเข้าถึงความเป็นสุขจะมีความสุขเยือกเย็นมาก จะเป็นความสุขที่เราไม่เคยรับมาก่อนในการก่อนเพราะจิตเข้าทุกสุขแล้วความสงบคือความเป็นสุขจิตก็เข้าทุงฌานสมาบัติเป็นฌานสมาบัติขั้นต้นคือวัตถุฌานหรืออาจจะเป็นฌานอื่นก็ได้แต่ว่าจิตยัเข้าทุงฌานรือไม่ถึงให้สกเกตตามนี้ถ้าอารมณ์ของเรามีการนิ่งมีความสบายมีจิตเป็นสุขโด้ินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสามาก ผู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียงหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานแต่วฌานอย่างนี้เกิดกับเราจะไม่นานนักฌานจะค่อยๆ ค, ค, คลายตัวลงมาถ้าถึงอารมณ์ปกติที่เรียกว่าพวางังพะวังคืออารมณ์ปกติหูไม่รำคาญในเสียงถือว่าเป็นฌานที่หนึ่งถือว่าปฐมฌาน แปลว่าถ้าจิตเข้าถึงฌานนี้สองขึ้นไปฌานสองสามสี่ก็ตามจะไม่มีอาการภาวนาอันนี้ขอบอกไว้ด้วยที่ได้ที่มจะไม่พูดถ้าฌานทีหนึ่งนี่ยังรู้ลมหายใจเข้าออกยังรู้การภาวนาถ้าฌานที่สองฌานที่สองยังรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจเข้าออกเบาลงมีความรู้สึกเบาลงแต่ว่าคำภาวนาหายไป จิตจะมีความในสุขมากมีความเออิ่มมากมีการสงบมากเป็นฌานที่สองถ้าถึงฌานที่สามคำภาวนาก็หายไปเหมือนกันลมหายใจเข้าออกจะเบาลงกว่าเดิมมากจะมีความรู้สึกน้อยๆแต่การทางกายรู้สึกว่าตึงเป่งนัน่งก็เมื่อนั่งเครียดน้อยกับเมืนน่อนอนเครียดจิตไม่มีความในสุขแ จ, จิตทรงสมาธิแนบแน่นมากอันนี้แปลกายของฌานที่สาม ถ้า ก, การค้อนชานิสีจิต e, จะไม่รู้สึกลมหายใจเข้าออกถ้าการชานิสีอย่างหยาบถ้าเขาเครื่องขยายเสียงดั ง, ดงๆมาเอาลำโพงวงข้างๆเราจะรู้สึกได้ยินเสียงแด้ไน้อยเท่านั้นเองถ้าเั็นชานเสียเอียดหู จ, จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกจะไม่แบกการค่อนชานิสีจิตจะมีลุกความสว่างโปรงมากจิตเป็นสุขมากจิตอารมณ์เป็นหนึ่ง วามอความกายของสมถภาวนาถึงฌานสี่ก็จบกันคำว่าฌานสีห่หมายความจะไม่รู้ลมหม่ใจเข้าออกแล้วก็ทิ้งอารมณ์ภาวนาจิตเติมเบ็ดขาทรงตัวเฉยๆมีอารมณ์เป็นหนึ่งแ้าหูไม่อยู่เสียงภายนอกจะไม่ออในในแบกกายของฌานสี่แต่คำว่าฌานโลกีนัมบดาย ญ, ญาณโยมพุทธบริษัทจะทรงอยู่ได้ไม่นาน จะเป็นชาญที่หนึ่งที่สองที่สามี่สี่ชาญไหนก็ตามคงคิดวา่าถ้าถึงชาญนั้นๆจะสมงได้สักครึ่งชั่วโมงบ้างหรือชั่วโมงบ้างอันนี้ไม่จริงการจะสมลาได้นานต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษถ้าเราปฏิบัติไปถ้าจิตเข้าถึงชาญสักประเดี๋ยวเดียวจิตจะเคลื่อนตัวลงจะไหลลงไหลลงเท่านัจารสมาธิแต่ว่าเวลานั้นจิตเป็นสุข ถาจิตก็เคลื่อนลงมาถึงอุปจารสมาธิขณะที่จิตเป็นฌานเนยขาทราบไปด้วยที่มีญาติโยมหลายคนเคยถามว่าขณะที่มีอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดิง่งมีอารมณ์ตั้งมัน่นมีการทรงตัวดีตอนนั้นจะทําอะไรตอนนี้เขาบอกว่าเวลานั้นเป็นอารมณ์โคนฌานไม่ต้องทําอะไรถึงทําอะไรมันก็ทําไม่ได้เพราะอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเดียว จิตจะทรงตัวอย่างเดียวประมาณเมื่อจิตเคลื่อนลงมาถึงอุจาระสมาธิเมรุเบาขึ้นจิตมีความรู้สึกว่าคิดได้ตอนนี้นจะคิดขึ้นไหวได้ถ้าจิตทรงตัวเป็นอย่างนั้นมันนานสักสู่งคู่น่งประเดี๋ยวหนึ่งก็าตามจิตจะสงบสงัดจากนิวรณเมื่อจิตสงบสงัจากนิวรณปัญญาก็จะเกิดแต่เวลาดั้นปัญญาเกิดมันยังคิดไม่ได้พราชั่งคุม ต่อมาเมาื่อจิตเคลื่อนลงมาต่ําทุกวิจารสมาธิสมาธิยังมีอยู่แต่สมาธิมีกําลังเบาแต่กําลังขุงฌาญยังคุมสมาธิเตัว น, นั้นอยู่จะมีการทรงตัวอยู่มากถ้าขึ้นคิดคิดขึ้นไหวได้ตอนนี้ปัญญาจะเกิดคําว่าปัญญาเกิดก็มีหลายๆคนเคยไปถามที่วัดถามว่าปัญญามันเกิดขึ้นได้ยรือไงอาจามาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน อาการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นก็ขอตอบตามตรงไปตรงมาตามตำราวเพราะจิตสงัดจากนิวรณ์ห้าแปรการเวลาดั้นอารมณ์นิวรณ์ห้าแปรการจะไม่มีในใจคืนหนึ่งความรั ก, กนัระหว่างเพศ็สองอารมณ์ไม่สบายจะไม่ชอบใจสามความเ่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยทั้งหมดนี้ไม่มีในเวลานั้น ในมาการทั้งห้อย่างที่เป็นตัวตัดความดีไม่มีในเวลานั้นก็เหลือแต่ความดีตอนนั้นจิตจะเกิดปัญญาปัญญาตัวที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกถ้าเกิดในเบื้องต้นก็จิตจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นนิปัสสนาอย่างอ่อนอนิจจังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง กายเราก็ไม่เที่ยงกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงกายคนก็ไม่เที่ยงกายสัตว์ก็ไม่เที่ยงก้อนวัตถุแท่งทุกวัตถุต่างๆก็มีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผลนในช้นกลางมีการสลายตัวในที่สุดเลยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแต่เรายังมีโมหะคือความหลงหลงว่ามันเที่ยงยังหลงว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ ร่างกายของเราจะไม่ป่วยร่างกายพระเราจะไม่ตายเมื่อคิดอย่างนี้ถ้าร่างกายขอเราเกิดความแก่เกิดขึ้นการคล่องตัวไม่มีความทุกข์ก็เกิดร่างกายป่วยขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดเพราไม่ยอมรับความจริงถ้าร่างกายจะตายขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดเมื่อเราจะหนีตัวทุกข์ได้เพราะการยอมรับรับถือตามความจริงยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ไปทุกวัน สักวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายต้องป่วยไม่ที่สุดก็ร่างกายร่างกายต้องตายไม่แต่อันนี้จังทุกข์ขาน้าตานะแต่นวิปัสสนาญาญังอ่อนให้วัดนายาอย่างสูงก็จิตเข้าถึงสังขารุปกข้ายานโดยสังขารเปกขยานแต่วางเฉยในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายรสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเฉยหมด ถ ot, ือ umm ว่าทุกสิ e ่งทุกอย่างเป็นกฎธรรมดาของร่างกายที่เกิดขึ้นนเมื่อร่างกายเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นของธรรมดาถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนใจเราก็เฉยไม่มีความเป็นทุกข์ต่อไปถ้าร่างกายก็มีความแก่เกิดขึ้นก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายมันแต่ถ้าร่างกายมันป่วยก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายทุกร่างกายมีการป่วยเหมือนกัน ไม่ธรรมดานริศบรรยายก็ถือว่าเรื่องธรรมดานี่แหลการวางเฉินในร่างกายคือความทุกข์จากความแก่ก็ไม่มีความทุกข์จากความรวยก็ไม่มีความทุกข์ากจากการพัฒนาจากของรักของชอบใจก็มีความทุกข์ตีความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่มีข้อนี้เป็นนิพพานายาขั้นสูงยังขอบอกว่าไม่เป็นเราเราตอนนี้ก็มาสังเกตอารมณ์ อาการของจิตในขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับตัววิัสสนาญาณอย่างหยาบมีแต่ว่าไม่ปรากฏชัดมีจะมีอาการทางจิตต่างกันคําว่าสมะถะเวทนานีนความจริงมันแยกกันไม่ได้นะว่าที่แยกกันได้จริงก็แค่พูดความจริงแยกไม่ได้วิปัสสนาคือตัวปัญญาสมะถะคือสมาธิแล้วก็ต้องมีศีลเปนพื้นฐาน การเจริญนิพพ า, านาญาการเจริญสมาธิรกรรมฐานที่เรากรรมฐานาฐานันกันรวมตัวดีการเจริญกรรมฐานจะมีผลได้ตรงหนึ่งต้องเป็นคนมีปัญญาก่อนถ้าปัญญาไม่มีก่อนนีเจริญกรรมฐานไม่ได้คนมีปัญญาจึงมีความเข้าใจว่าศีลดนีนการเจริญกรรมฐานต้องมีศีลเป็นเครื่องรับรองถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่เกิด ถ้าสินใบสดสดของอมไรยสจิตมีความเยอกเย็นสมาธิก็เกิดนี่เป็พื้นฐานกันเมื่อสมาธิเกิดแล้วมนจิตมีจิตเยอกเย็นมีอารมณ์เป็นสุขปัญญาก็เกิดปัญญาตัวตักกิเลสเกิดขึ้นตอนนี้อาการของจิตขณะที่จิตทรงสมาธิหรือฌานสมาบัติในด้านท่านฌานโลกีโดยเฉพาะกําลังมีปรัชนาญาณยังอ่อนอยู่ มีคุมปัญญามีแต่ปัญญาอย่างอ่อนวีพัฒนายาคือปัญญาเวลานั่งกำลังสมาธิจะมีการคุมจิตนับแน่นมากรู้สึกหนักหน่วงมากสมาธิทรงตัวหนักแล้วก็แน่นจะมีความรู้สึกว่าเราฮุบพับในด้านสมาธิดีมากมีการทรงตัวดีมากมีรมดิ่งดีมากหนักมากต่อไปในเมื่อปัญญาเกิดขึ้น วิปชาญายางคือปัญญาความรู้สึกดีรู้สึกช่วยการตัดกิเลสเริ่มมีขึ้นอการดิ่งและการหนักข้งทางใจจะเรื่องคลายตัวถ้าปัญญาเกิดมากจิตจะมีอารมณ์เบาเบามากความแนบแน่นสนิทอย่างอื่นงย่องก่อนๆไม่มีนี่หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีเส็จแล้วหรือแต่ความจริงไม่ใช่ ไอ้ตอนที่แน่นๆเป็นกําลังคุณฌานโลกีปัญญาจะน้อยไปกระลงความกินเลส ท, ที่เราตัดเรายังไม่ได้ตัดเพียงได้เพียงว่ากดคอกิเลสไว้คล้ายๆคือว่าคนกดกดคอเสือเสือมันยังไม่ตายก็ต้องใช้กําลังใจอย่างหนักคําว่าเสือในที่นี้ก็คือนิวรณ์ห้ารายการนิวรณ์ห้ารายการคือข้อหนึ่งพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมวัตอร่อยสัมผัสรสว่างเพศ ประการที่สองความไม่พอใจประการทีสามความง่วงประการที่ี่อารมณ์ฟุ้งซ่านประการที่ห้าความสงสัยเจ้าห้าตัวนี้เป็นกิเลสยาที่ทําบรรยาให้ถอยหลังเพื่อจิตเราไม่เกิดปัญญาเพราะมีวอนห้าอย่างนีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากวนใจปัญญาจะไม่เกิดนี่ตอนที่ปัญญาเกิดตอนนั้นกิเลสเจ้าห้าประการนั้นมันยังไม่ตาย แล้วก็ใช้กําลังใจคือความแนบลิงของอารมณ์กดเขาไว้ที่มีความแน่นต่อมาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นบัญญัติเรื่องเขาตัดกิเลสการตัดกิเลสจะหมายความจิตเริ่มรู้ต่างความเป็นจริงว่าความพอใจในของสวยก็ดีความไม่พอใจเขาในความโสดก็ดีความร่วงมก็ดีความพุ่งสร้างก็ดีความสงสัยก็ดีอันนี้เป็นของไม่ดี เป็นยีเดียาบคือความเศร้าหมองของจิตอย่างหยาบที่ทำบรรยายเทวรังขึ้นเปการไร้ปัญญาวันนี้เราจะไม่หลงไหลในรูปเราจะไม่หลงไหลในเสียงเป็นต้นเพราะว่าการใช้ปัญญาเข้าไปตัดคิดว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีเปรอนิจังมีความไม่เที่ยงไม่มีรูปประเภทไหนที่มีสภาพทรงตัวรูปคนก็ไม่ทรงตัวรูปสัตว์ก็ไม่ทรงตัวรูปวัตถุก็ไม่ทรงตัว ถ้าคนแลสัตว์แก่ลงไปทุกวันวัตถุ ก, ก็เก่าไปทุกวันไม่ที่สุดของรูปก็พังหมดตอนนี้ปัญญาเกิดแล้วจิตเริ่มคลายการเกาะในรูปเมื่อจิตเริ่มคลายเกาะในรูปอย่างนี้กําลังเขาสมาธิขี่มั น, นแนบกันมันยังแน่นอยู่แต่เกิดปัญญาอารมณ์เริ่มเบาคล้ายๆก็ว่าเรากดคอเสียไว้อนนี้มาฟันขาเสีย การตัดโรคนลยไหมก็ฟันขาเสียข้างหนึ่งตัดเบาๆตัดไม่ได้มากนะักเขาตัดขาเสือก็เสือกมีกำลังน้อยลงต่อไปถ้ากำลังแก่กล้าขึ้นมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มนุษย์ลโลกหามุมใหม่ก็มุมใหม่ก็ตามไม่มีความสุขมีความทุกข์ทุกมุมไปเกิดเป็นคนันดับไหนก็ตามตั้งแต่ยาจบขั้นใจถึงพระมหากษัตริย์ก็มีความแก่เหมือนกัน มีความป่วยไข้ไม่สบายไม่สบายเหมือนกันมีการพักผ้าจากของรักของชอบใจเหมือนกันมีความตายในที่สุดเหมือนกันได้ทุกจุดในชีวิตจะเต็มด้วยความทุกข์เหมือนกันหมดเห็นโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่เห็นโลกนี้เต็มไปด้วความทุกข์จิตใจก็เบื่อหน่ายในโลกเมื่อเบื่อได้ายในมนุษย์สโลกปัญญาก็คิดต่อไปถ้ามีปัญญานะ เหวโลกมนุษย์ไม่น่าอยู่มนะันเป็นความทุกข์มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่อไปปัญญายก็ก้าวต่อไปถ้ามนุสยโลกเป็นทุกข์เท ว, โ ล, ลทเทวโลกและพรมโลกล่ะเทวโลกและพรมโลกมีสภาพเป็นทิพย์ทุกอย่างะฐานที่อยู่ก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เหมืนทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดการบริโภคอาหารก็ไม่ต้องมีในะทเทวโลกและพรมโลกมีอีกความอิ่มตลอเวลา ความหนาวก็ไม่มีความร้อยมันมีความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีค ว, มมมความป่วยไข่มันสบายก็ไม่มีความแก่เท่าชทาลายก็ ม, มีแต่มีการจุดติมีการเคลื่อนถ้าหมดบุญรสนาบรารมีก็ต้องเคล่อนจากมนุษยโลกเพราะเออมาพุ่มมนุษยโลกไปไหนไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นสัตว์นกบ้างเป็นเปรตบ้างไปเป็นกายบ้างเป็นสตรีชานบ้างตามกฎของกรรม แล้วก็ปัญญาก็มองเห็นว่าไม่เมื่อมนุษร์โลกเป็นในความทุกข์ไม่น่าอยู่เทวโลกกับพรมโลกก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการงานไม่ต้องลำบากในการป่วยไข้ไม่จบายไม่ต้องมีร่างกายแก่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องชำระร่างกายทุกอย่างไม่ต้องทําหมดคําว่าสุข ก, กับปรกคือความหนักใจในเทวโลกกับพรมโลกไม่มี แต่ว่าในที่สุดเทวโลกกับมโลกเราก็ต้องจุดติเมื่อหมดบุญ บ, นบันาบารมีก็ต้องเคลื่อนจากภูมโลกเทวโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ที่อย่างดีนะถ้าบางคนมีกรรมที่เป็นบาปยังอยู่กรรมที่บาปก็พาลงนรกไปเลยกระมวงความวาปัญญากระมองให้เห็นว่าเทวโลกกับภูมโลกไม่ดีแท้ไม่น่าอยู่ในที่สุดกําลังใจก็ตัดสินใจเพื่อนิพพานต้องค่อยๆก้าวไปตามนี้นะ เมื่อกำมาเห็นมนุษย์โลกเป็นทุกข์เปวโลกลกับพมลโลกไม่สุขจริงความรักไม่พ่านจ ร, จริงๆก็เกิดขึ้นเมื่อการต้องการไม่ผ่านต้องการตรงไหนตัดยังไงตีจะถึงที่พระสารีบดแนะนําพระว่าตัดตัวเดียวคือสกาญาติทิื่อตามที่พระเจ้าเทิดในท่านพายะฟังท่านภายะ ฟ, ฟังแลว้ววรนุอารานทันทีก็คือสกาญาติทิเหมือนกันเพราะพระเจ้า ต, ต้องการเทริดชัด ว่ า, าพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปนั่นคือตัดรูปเสียอารมณ์ตัดรูปขรูปของเราตรงอื่นไม่เป็นไม่สำคัญรูปคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างได้รูปกายของเราจะตัดทิ้งไปคำว่าตัดทิ้งไม่ใช่ฆ่าแต่หมายความจิตของเราคิดว่าต่อ น, นี้ไปขึ้นเชื่อรูปอย่างนี้ที่มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรนในขั้นกางมีการาสลายตัวในที่สุด พ้าขณะที่ทรงที่อยู่ก็มีความแกม่มีความป่วยมีการพักผ้าจากของรักของจใจมีความตายในสุดเราไม่ต้องการอีกพระร่ า, ากายนี้สลายตัวเมื่จุดเดียวที่เรไปนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นพยายามตัดความโลภ ด, ด้วยการให้ทานยามังัะความโกรธด้วยการเอกษาสินปัดความหลงในโลกด้วยการเจริญภาวนาอรมัญาญาติจงพุทธบริษัทหลายโดยทัวหน้า ว่าทําพีงแค่มีกระยมว่าจบมิัสสนาญาณตอนนี้ไปข็อนายญาติโยมพุทธบริษสัทรหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานรมาาน